บทที่แท้จริงไม่ใช่ที่สำหรับทําพิธีกรรมแบบแสดงละครแต่ทว่าบทหลังนี้เป็นเครื่องหมายแห่งการแสดงความขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เป็นที่สำหรับทําพิธีกรรมดังแบบที่ชาวโลกมนุษย์เข้าใจกันอยู่และปฏิบัติกันอยู่พวกเราไม่ได้มาประชุมกันที่นี่เพื่อทาพิธีบวงสวงเราไม่ได้มาประชุมกันเพื่อทาพิธีอนิจิตพิสดาร น, นานาประการ ไม่ว่าพิธีอย่างใดและไม่ว่าในโอกาสใดเลยเราไม่มีการอ่านข้อความในสมัยโบราณยาวๆซึ่งฟังแล้วก็ไม่เข้าใจและซึ่งนำมาประยุกเพื่อปฏิบัติให้เข้ากับเจตนารมณ์และความจำเป็นอันแท้จริงในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยเราไม่มีการไร้สโลกหรือบทสดุดีหรือคำสวดอ้อนวอนอันยาวยืดยาวซึ่งฟังแล้วก็รู้ว่ามันเกินความจริงเพราะมีแต่การยกยอกันเสื่อเลิดลอย และบางครั้งก็เลยผิดจากความจริงไปได้ไกลสิอีกด้วยข้าพเจ้าขอกล่าวว่าเราไม่มีการกระทําพิธีที่ไร้สาระเช่นนั้นเลยตรงกันข้ามเรามาประชุมกันในที่นี้ในโอกาสพิเศษดังจะกล่าวต่อไปและการที่มานี้ก็ไม่ใช่มาโดยถูกบังคับไม่ใช่มาโดยนิสัยไม่ใช่มาเพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องมาโดยเด็ดขาดไม่ได้ไม่ใช่มาเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงมีบัญชามาว่าขาดไม่ได้ ไม่ใช่มาเพราะว่ามีผู้มีอำนาจหรือท่านที่อยู่เบื้องบนมีคําสั่งลงมาว่าต้องมาให้ได้นะมีฉะนั้นแล้วก็จะต้องเห็นดีกันทีเดียวแต่เรามาประชุมกันในที่นี้ก็เพราะว่าในโอกาสพิเศษบางครั้งมีท่านผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปอุตส่าห์ลงมาเยี่ยมเยียนเราท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นต้นกําเนิดของชีวิตและแางสว่างทั้งมวล มาเหตุในเรื่องนี้ดูคําอธิบายท้ายบทในการมาของท่านนั้นท่านได้นำเอาความหอมชื่นบานอันเยือกเย็นจะภูมิแห่งจิตที่มีความพระนิจชั้นสูงลงมาด้วยและเมื่อพวกเราเข้าไปใกล้ท่านเราก็จะรู้สึกเสมือนว่ากําลังอาบรังสีแห่งพลังและแสงสว่างที่มีอนานาจสูงทําให้เกิดความทราบซ่านและปิติยังบอกไม่ถูก รังสีอันมีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ส่วนหนึ่งแผ่ออกมาจากตัวท่านเหล่านั้นเองและอีกส่วนหนึ่งแผ่ออกมาจากกระแสแห่งภูมิมันสูงมากเหล่านั้นแต่ท้าว่าอันที่จริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือแผ่ออกมาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดนั่นเองท่านผู้มาจากภูมิสูงเหล่านี้เมื่อมาเยี่ยมเยียนพวกเราก็มารับมอบความขอบคุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจากพวกเรา ในการที่พระองค์ได้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เราและแล้วท่านก็ส่งกระแสจิตแห่งความรำลึกลึกถึงด้วยความขอบคุณของพวกเรานี้น้อมถวายไปยังพระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่เบื้องบนอีกทีหนึ่งหมายเหตุผู้อ่านให้สังเกตนะครับว่าแม้จะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่ก็ไม่มีใครยืนยันเลยว่าไดเห็นรูปร่างไดเห็นตัวจริงของพระองค์จริง ให้คิดนะครับว่ามันน่าแปลกไม่ว่าผู้ที่มีฤทธิ์เดช ส, สูงสุดตามความเชื่อของเขานั้นทําไมจึงไม่ปรากฏตัวไม่ลงมาหามาเยี่ยมเยียนเองในเมื่อตัวอย่างคือเทวดาในชั้นสูงก็ยังมาเยี่ยมสวรรค์นในชั้นต่ๆเป็นประจำขพเจ้าต้องของย้าไว้ในที่นี้อีกครั้งหนึ่งว่าการประชุมหรือพิธีดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่ได้มีความวิจฉิจพิสดารหรูราโออาอย่างใดเลยและข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือไม่มีการยืดยาดกันเลยเราทํากันอย่างตรงไปตรงมากินเวลาไม่เกิน15นาทีตามเวลาของชาวโลกมนุษย์แต่ภายในระยะเวลาอันสั้นนี้เองก็เกิดประโยชน์และได้ผลไม่น้อยกว่าพิธีกรรมอันมโหฬารพันลึกซึ่งกินเวลายืดยาดได้ย่นเยอือย่างมหาศาลมีกระบวนการแห่แหนประดับประดาฉลองกันอย่างเออกเกิร์กนั่นเลย ในระยะเวลาอันสั้นๆ น, นี้มีแต่แการสารของการประชุมซึ่งดำเนินไปอย่างตรงเป้าหมายรวบรัดง่ายที่สุดแต่ก็ได้ผลมากที่สุดจริงๆและอย่าลืมว่าไม่มีกฎข้อบังคับใดๆว่าทุกคนจะต้องมาร่วมการประชุมดังกล่าวนั้นอันที่จริงผู้ที่ยังไม่อยากเข้าร่วมประชุมก็มีสิทธิเสรีเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจใครและโดยไม่มีใครว่าอะไรเลย บางครั้งคณะกองข้าพเจ้าเองก็ขาดประชุมเหมือนกันในเมื่อยังมีงานสำคัญที่จะต้องทำเฉพาะหน้าอยู่แต่เราก็ไม่ได้เสียเปรียบอย่างใดเพราะเราก็ฝากความเคารพและระลึกถึงไปยังท่านผู้นั้นได้เช่นเดียวกันนอกจากบทหลังกลางอันเป็นหลังใหญ่ดังกล่าวมันนั้นแล้วเรายังมีหลังเล็กๆประจักรกระจายกันอยู่ตามที่ต่างๆทั่วไปในโลกทิพนี้เพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวกันนี้หละ เป็นโบทถ์ที่ให้เกิดประโยชน์ตามความหมายและเจตนาโรมมนแท้จริงไม่ใช่ศัก์แต่ว่าเป็นเบธีละครสำหรับให้ผู้ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวมาแสดงละครให้ผู้คนดูในรูปพิธีกรรมต่างๆซึ่งล้วนแต่ไม่มีสาระและไม่เกิดผลประโยชน์แก่จิตใจอย่างใดเลยในโลกมนุษย์เมื่อมีการบูชาในทางศาสนาขึ้นจิตใจของมนุษย์ก็คิดไปถึงพระผู้เป็นเจ้าที่คอยออกคาสั่งให้พวกมนุษย์ทั้งหลาย บูชาสรรเสริญพระองค์อยู่ตลอดไปไม่เช่นนั้นจะมีความผิดเกิดขึ้นทีเดียวดังนั้นพระบิดาแห่งสากลจักรวาลเลยกลายเป็นไม่ใช่พระบิดาแต่กลับเป็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมีอารมณ์ไม่แน่นอนต้องให้คนอื่นคอยเอาอกเอาใจอยู่ตลอดเวลาศาสนาในโลกมนุษย์จึงสอนที่ท่านมีอารมณ์ต่างๆและในที่สุดเพื่อที่จะให้แนวคิดเรื่องพระผู้เป็นเจ้า เกิดความวิตถานหนักขึ้นไปอีกก็ได้มีการสอนกันว่าท่านควรจะรักพระเจ้าหรืออันที่จริงก็ไม่ใช่ควรเท่านั้นเพราะว่าท่านจะต้องบังคับใจของท่านให้รักพระเจ้าให้จงได้ทีเดียวศา ส, สนาในโลกมนุษย์มักจะผูกขาดเรื่องความรู้ที่เกี่ยวกับโลกหน้าววศิตาผู้เดียวและดังนั้นถ้าจะมีการรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับโลกหน้าขึ้นมาบ้าง ท่านก็มักจะมมีเอาเลยว่าต้องเป็นเรื่องที่พลากจากศาสนาแบบของท่านไม่ได้อย่างเด็ดขาดสวรรค์นในทัศนะของท่านเหล่านี้จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทพยดาน้อยใหญ่ทมพิธีบูชาพระผู้เป็นเจ้ากันยกใหญ่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าไม่เป็นอันต้องทำอะไรอื่นกันเลยและในธํานองเดียวกันท่านผู้อยู่ในโลกมนุษย์ก็ต้องอุตส่าห์มันบูชาพระองค์ ให้ละไม้แม้นเหล่าเทพยายดาในสวงสวรรค์เช่นนั้นให้มากที่สุดที่จะมากได้และก็เป็นหน้าที่ชนิดบังคับกันทีเดียวที่ท่านจะต้องไปบวชให้ได้อาทิตย์ละครั้งผลก็คือมีท่านสั บ, บรุษศีกาไปวัดกันอาทิตย์ละครั้งจริงเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยมีผู้ใดรู้กันนักว่าตนกําลังทำอะไรอยู่และทาเช่นนั้นเพื่อประโยชน์อะไร เขามีความรู้เรื่องพระเจ้าผู้สูงสุดแต่เพียงเงาเงาและหยาบๆบเท่านั้นตามที่ได้รับฟังการสั่งสอนอบรมมาจากพระที่เป็นครูของเขานั่นเองและในที่สุดเมื่อเขาผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์เขาก็นำเอาแนวคิดดังกล่าวต่างๆเหล่านั้นติดตัวคือติดใจมาด้วยเนื่องจากในที่นี้ไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะห้าไม่ให้ใครคิดตามที่เขาต้องการจะคิดเขาจะมีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างไรก็ได้ต่อไปตามเดิม หรือถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องยิ่งขึ้นก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะไม่คิดอะไรเลยก็ได้ต่อไปตามเดิมแต่สำหรับพวกเราที่เข้าใจความหมายของการบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามความจริงแล้วย่อมรู้ดีว่าควรจะทำอย่างไรเพราะเราไม่ได้บูชาพระองค์กันไปตามพิธีการจุ ก, จ, กจิกต่างๆของชาวโลกมนุษย์แต่เราส่งกระแสจิตแห่งความขอบคุณของเราพุ่งตรงไปที่พระผู้เป็นเจ้าเลย คือขอบคุณพระองค์ในฐานะที่ความสุขทุกประการที่เราได้รับอยู่นี้เนื่องมาจากพระองค์และขอบคุณที่โอกาสที่อยู่เบื้องหน้าเรานี้เราอาจจะใช้มันให้เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าทางจิตของเราเพื่อเลื่อนชั้นภูมิของเราให้สูงขึ้นไปโดยลําดับดวงจิตของเราเอิบอาบไปด้วยความขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่ได้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เราดังที่เห็นอยู่หน้าบัดนี้ มาเหตุผู้อ่านอ่านไปถึงตอนนี้ก็รู้สึกแปลกใจนะครับว่าข้อความต่างๆก็ขัดแย้งกันเองส่วนหนึ่งก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานความสุขมาให้แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ก็ตอกย้าอยู่เสมอว่าที่มีความสุขขึ้นสวรรค์ได้นั้นเพราะตัวเองเป็นคนกระทำเป็นเพราะกรรมที่ตนกระทำไว้เมื่อยังเป็นมนุษย์และแม้มาอยู่ในสวรรค์แล้วการจะเลื่อนภพเลื่อนภูมิไปสวรรค์ที่สูงขึ้นไป ก็ต้องเนื่องด้วยการพัฒนาจิตของตนเองเป็นหลักเท่านั้นความเชื่อทั้งสองแบบนั้นจะเห็นได้ว่าการที่กล่าวว่าความสุขทุกอย่างพระเจ้าประทานมาให้กับที่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมของตนที่ทำไว้สิ่งที่กล่าวมาทั้งสองอย่างนั้นเป็นสิ่งที่สวนทางกันไปคนละด้านนับว่าเป็นความขัดแย้งกันเองในสิ่งที่เป็นความเชื่อและความจริงที่ท่านได้ประสบมานะครับ คำอธิบายเพิ่มเติมโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุข้อที่10บจากประโยคที่ว่าแต่เรามาประชุมกันในที่นี้ก็เพราะว่าในโอกาสพิเศษบางครั้งมีท่านที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปอุตส่าห์ลงมาเยี่ยมเยียนเราท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นต้นกำเนิดของชีวิตและแสงสว่างทั้งมวลหมาเหตุข้อนี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามโอปปปติกะท่านหนึ่ง ซึ่งเมื่อสมัยเป็นมนุษย์ก็เคยมีความเชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันแต่มาบัดนี้ความคิดของท่านได้เปลี่ยนไปหลังจากที่ได้มาศึกษากับผู้ที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาท่านได้อธิบายว่าพระผู้ตนกำเนิดของชีวิตและแสงสว่างทั้งมวลตามที่ท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันพูดถึงนี้ท่านสันนิษฐานว่าคงจะเป็นโอปปาติกะที่เป็นพระอริยบุคคล เราท่านเหล่านี้มีพลังมหาศาลและมีแสงสว่างมากมายพลังและแสงสว่างที่ออกจากตัวท่านเต็มไปด้วยความเยือกเย็นและให้ความสดชื่นอย่างสูงท่านสันนิษฐานอีกว่าท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันคงจะไม่รู้ว่าท่านที่ลงไปเยี่ยมนี้เป็นพระอาริยบุคคลคงรู้แต่เพียงว่าท่านเหล่านี้มีอายุยืนยาวมากจนกระทั่งตัวท่านไม่ทราบว่าอายุจะไปสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ก็เลยเข้าใจว่า คัานที่มาจากภูมิสูงเหล่านี้จะต้องมีชีวิตอยู่ช่วงนิรันดร์สำหรับในเรื่องแสงสว่างที่ว่ามีอยู่เสมอนั้นโดยธรรมดาแสงสว่างที่ว่านี้ก็ออกมาจากพวกโอปปาติกะทั้งหลายที่อยู่ในภูมินั้นและเป็นแสงสว่างที่มาจากภูมิอื่นซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าด้วย เรื่องแสงสว่างที่ออกมาจากตัวของโอปปาติกะนี้เป็นของธรรมดาเหมือนกับคนในโลกมนุษย์ถ้าคนไหนนั่งสมาธิได้ดีก็ได้เห็นแสงสว่างถ้าสมาธิสูงมากแสงสว่างก็มีมากแสงสว่างที่เห็นได้ขณะที่อยู่ในสมาธินั้นก็เป็นแสงที่เกิดจากจิตของผู้นั้นเองแต่ในบางครั้งก็เป็นแสงสว่างที่มาจากโอปปาติกะที่มาเยี่ยมเยียนคนคนนั้น ในขณะที่กำลังทำสมาธิอยู่ท่านขอให้นึกถึงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปซึ่งรูปที่ว่านี้ก็ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมสำหรับดวงอาทิตย์ในโลกของโอปปาติกะท่านบอกว่าโดยธรรมดาก็ไม่ค่อยได้เห็นนอกจากในขณะใด เกิดนึกอยากเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็าจะเห็นดวงอาทิตย์และเมื่อถามคนอื่นเขาก็จะเห็นเหมือนกับท่านด้วยอันนี้ท่านบอกว่าท่านเองไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนเมื่อมาถูกถามเข้าก็เกิดสงสัยขึ้นมาเหมือนกันว่าดวงอาทิตย์ที่เห็นนี้จะเป็นดวงอาทิตย์จริงๆและเป็นดวงเดียวกับในโลกมนุษย์หรือเป็นดวงอาทิตย์ในโลกอื่นหรือจะเป็นดวงอาทิตย์ที่เกิดจากความนึกคิด อันนี้ท่านยังไม่ทราบแน่ท่านขอเวลาไปศึกษาดูก่อนท่านบอกว่าผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะที่มีรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองและสิ่งแวดล้อมในภูมิของตัวนั้นมีมากเช่นเดียวกับคนในโลกมนุษย์คนที่เข้าใจถึงเรื่องโครงสร้างและศาสะสารต่าง ต, างตางที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของตนเข้าใจถึงธรรมชาติต่างๆคนประเภทนี้มีน้อยคนส่วนมากไม่รู้ เพราะฉะนั้นอย่าไปกากณฑ์ว่าถ้าเป็นเทวดาแล้วจะรู้อะไรทุกอย่างสำหรับในเรื่องพระผู้เป็นเจ้านั้นท่านเองไม่แน่ใจว่าจะมีจริงเหมือนอย่างที่เคยเชื่อถือมาในโลกมนุษย์เดี๋ยวนี้ท่านมีความเข้าใจมาในทางพระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงท่านรู้สึกว่าอันนี้ดูจะมีเหตุผล ดีกว่าหลักความเชื่ออย่างอื่นทั้งหมด